จะถามอะไรก็ถามได้่ถามมาเวลาบางครั้งอะคะ่ะรู้สึกว่าเหมือนอารมณ์ร้ายโดยไม่มีสาเหตุคือโมโหโอแต่ก็บางครั้งก็เหมือนกับว่าเป็นขอโทษนะคะเป็นฮอร์โมนของผู้หญิงนะคะอ่าเวลาใกล้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะรู้สึกว่าถ้าช่วงนั้นของเดือนอารมณ์เราจะหงุดหงิดเป็นพิเศษทําอย่างไรดีคะคือใจของเราเนี่ยมัน มีอะไรกระตุ้นให้ใจเราไม่ดีได้ทางร่างกายก็ได้เจ็บไข้ได้ป่วยหรือทางทางเหตุการณ์ต่างๆเสียคนนั้นเสียคนนี้อะไรมันก็จะทําให้ใจเราคิดไปในทางไม่ดีได้ที่เราก็ต้องมาสร้างตัวที่จะเบรคความไม่คิดไม่ดีต่างๆก็คือสติตอนนี้เราไม่มีเบรกกันเหมือนรถที่ไม่มีเบรคพอเจอเสีย ก, ก็ไปเลยไม่หยุดก็ชนกัน ดนั้นเราต้องมาฝึกสร้างสติกันสติก็คือใช้ท่องพุโทโธพุทโธไปเนี่ยถ้าเราท่องพุโทโธพุทโธไปอารมณ์ต่างๆมันจะสงบตัวลงได้เสร็ว่าเราเร า, ม, เรามีความอารมณ์ไม่ดีเราก็พุโทโธพุโทโธพุทโธไปหรือสวดมนต์ไปก็ได้ mm hmm. เพื่อที่ให้ใจเราไม่ไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราเกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาแล้วพอเราไม่ไปคิดถึงมันเดี๋ยวใจมันก็นิ่งมันก็ จะสบายแต่เราต้องหัดทําก่อนถ้าเราไม่ทําถึงเวลาจะทําไม่ได้ถ้ามีเวลาวันวันหนึ่งเนี้ยเราทําได้ตลอดเวลาทําควบคู่ไปกับกิจกรรมของเราได้ลืมตาขึ้นมาก็ลองท่องพุโทโธไปอาบน้ําไปแปรงฟันไปพุโทโธไปพร้อมๆกันอย่าปล่อยให้มันไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วต่อไปเราจะชํานาญเราจะท่องพุโทโธเป็น แล้วพอเกิดอารมณ์ไม่ดีแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปแล้วสักพักห้านาทีสินาทีอารมณ์ก็อารมณ์ไม่ดีก็จะหายไปอันนี้เป็นวิธีแรกวิธีใช้สติวิธีที่สองถ้าเราใช้สติเป็นแล้ววิธีที่สองก็คือใช้ปัญญาปัญญาก็จะบอกใจ ว, ว่าเราอยู่ในโลกที่มันมีอะไรเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีขึ้นขึ้นลงล ง, ลงมีเกิดมีตายมีได้มีเสีย แเราอยากไปอยากได้อย่างเดียวเราต้องอยากเสียด้วยถ้าอยากได้ก็ต้องอยากเสียแต่ปัญหาของเราคกอมีแต่อยากได้ไม่อยากเสียพอเสียก็เลยเสียใจถ้าแต่ถ้าเรารู้ว่าได้มาก็ต้องเสียไปก็ต้องยินดีถ้ายินดีเสียมันก็จะไม่เสียใจเห็นไหมว่านิยมยินดีเสียเงินั้ยเสียใจหรอเพราะยินดีไแต่ถ้าขโมยมาขโมยไปเสียใจไหม เพราะไม่ยินดีใช่ก็ให้คิดอย่างนี้ว่าเรามีได้มีเสียมีเกิดมีดับมีสุขมีทุกข์แต่เราจะเอาแต่สุขอย่างเดียวตื่นขึ้นมาก็อยากจะให้มีอารมณ์ดีอย่างเดียวดีเพราะว่าร่างกายมันสบายแต่ถ้าร่างกายมันเจ็บตรงนั้นปวดท้งนี้อารมณ์ไม่ดีก็ตามมาเพราะเราไม่อยากให้มันเจ็บเราก็ต้องมาสอนใจว่าอย่าไปอยากให้มันไม่เจ็บมันจะเจ็บก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ยอมรับมันไป อันนี้ยากหน่อยแต่หัดทำหัดสอนใจลองทําไปเรื่อยๆตามไปก็จะทําได้เพราะในที่สุดเราไม่มีอะไรเรามาตัวเปล่าๆแล้วเดี๋ยวเราไปก็ไปตัวเปล่าๆเราจะไปยึดติด ก, กับอะไรมีอะไรเป็นของเราบ้างเวลาเราไปแม้แต่ร่างกายของเรายังเอาไปไม่ได้เลยอันนี้ปัญญาอันนี้ขั้นสูงยากกว่า ถ้ายังใช้ปัญญาไม่ได้กับพุทโธไปสวดมนต์ไปอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราไม่สบายใจแล้วพอไม่ไปคิดถึงมันลืมมันความไม่สบายใจก็จะหายไปความไม่สบายใจเกิดจากความอยากไม่ให้มีเหตุการณ์ที่เราไม่ชอบเกิดขึ้นพอเกิดก็อยากให้มันหายพอไม่หายก็ยิ่งไม่สบายใจเราไปทําให้มันหายเองไม่ได้บางทีบางทีก็ทําได้บางทีก็ทําไม่ได้ ถ้าทำไม่ได้ก็ลองมาทำใจมาพุโทโธพุโทโธไปสวดมนต์ไปหรือยอมรับทำใจว่ามันเป็นอย่างนี้แหละชีวิตมีขึ้นมีลงมีได้มีเสียมีสุขมีทุกข์นี่ก็คือสองวิธีคล้ายๆกันเนค่ะแต่ว่าถ้าเราเป็นคนคิดมากที่น้อยใจก็เหมือนกันเน่ เรนต้องก็ใช้พุโทโธไปก่อนเวลาเสียใจน้อยใจก็พุโทโธพุธโทโธไปอย่าไปคิดถึงเหตุการณ์ที่ทําให้เราเสียใจน้อยใจไปเลยเรามม่ใจนี่เกี่ยวเลยเอาพุโทโธตัวเดียวให้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปถ้ามันพุโทโธมันก็จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้พอไม่คิดเดี๋ยวเรื่องที่ทําให้เราไม่สบายใจก็จะหายไปขั้นที่สองถ้าใช้ปัญญาได้ก็ยอมรับความจริงว่ามันเป็นอย่างนี้นะ่ะ เหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้อย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างอื่นใครก็ด่าแล้วก็ปล่อยก็ด่าไปอย่าไปอยากให้เขาไม่ดา่ามันก็ไม่ทุกข์แล้วที่ทุกข์เพราะไปะอยากให้เขาไม่ดา่าใครจยมาขโมยของไปมันขโมยไปแล้วก็อย่าไปเสียดายเสียดายก็ไม่ได้คืนอยู่ดีถ้าสมมติอย่างที่พระอาจารย์เอิดไม่ได้แก้ค่ะ เออไม่ใช่เป็นการด่าแต่ถ้ามีใครพูดอะไรบางอย่างมาเหมือนกันน่จะด่าเรื่องอะไรก็ตามพูดชมหรือไม่ชมจริงไม่จริงไม่เราไปสนใจเราไปห้ามเขาไม่ได้และถ้าเราต้องการอธิบายในสิ่งที่เขาพูดแต่ถ้าสมมติว่าเรารู้ว่าสิ่งที่เราอธิบายถ้าเราพูดไปแล้วอะ่ะมันจะทําร้ายจิตใจเขาแต่มันคือความจริงและมันเป็นการอธิบายที่ตรงตัวที่สุดเราควรจะทำอย่างไรคะก็ดูที่ว่าเขาอยากจะฟังหรือเปล่าถ้าก็ไม่อยากจะฟังก็อย่าไปพูดอ๋อ ถ้าก็าอยากจะโกรธเกลียดเราก็ช่างว่าคนในโลกนี้มีเป็นแสนเป็นล้านเสียคนที่เป็นคนเดียวหาคนใหม่ก็ได้ขึ้นไปอถ้าไม่ได้เป็นพ่อแม่แอย่างเงี้ยก็พ่อแม่ก็ช่างมันทำไงเราถอามันจะโกรธเร า, เ, าเกลียดเราไปไปทำไงได้เป็นกรรมไหมคะไม่กรรมเราอยู่เฉยๆจะเป็นกรมมมก ร, นกรมอะไรเราไม่ได้ไปทุบตีไปฆ่าเขาแล้วก็ปล่อยให้เขาด่าไปปล่อยให้เขากโกรธเขาเกลียดไปนอกจากว่าถ้าก็อยากจะฟังว่าเอ ฟังคำอธิบายของเราแล้วก็อธิบายก็าฟังได้แต่ถ้าก็ไม่ฟังก็อย่าไปคุยนะเสียเวลาปลให้เข้าใจดีก่อนสงบก่อนตอนใจน้อนๆอย่าไปคุยกันนะไว้ใจเย็นๆนวเดี๋ยวก่อยมาอธิบายทีหลังก็ได้หรือขออนุญาตก่อนว่าขออขออธิบายเรื่องที่ไม่เข้าใจกันได้ไหมถ้าว่าเอาได้ก็อธิบายไปถ้าก็ยังไม่อยากจะฟังก็ไม่ต้องไปอธิบายเราไปบังคับใจเขาไม่ได้ เวลาที่ทาสมาธิหรือว่าเดินจงกรมอะค่ะแล้วจะมีสติ ส, สมาธิอยู่สักครู่หนึ่งอีกสักครู่หนึ่งก็จะคิดเรื่องอื่นหมดนล้วไงสติหมดกําลัง <g ül> <g ül> ก็ให้กลับม า, าทางสติขึ้นมาใหม่ต้องพยายามฝึกไปเรื่อยๆแล้วสติก็จะมีกําลังเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆตอนต้นมันก็อาจจะได้อยู่แค่ห้านาทีสิบนาทีมันก็หมดกําลังแล้วก็พยายามทําต่อไปทํายังไงจะลดความขี้เกียจได้คะ คือรู้ตัวว่าขาดความเพียรก็ขยันไงก็ต้องขยันมีอะไรที่แบบว่าพูดขึ้นมาแล้วจะให้แบบอไม่ได้ละต้องขยันขึ้นมาจริงๆใครทําให้เราได้นะแต่ก่อนคือความทุกข์อะถ้าแต่ก่อนไม่ใช่ถามตัวเราแล้วใครจะมาทําให้เราได้ครับถ้าเราไม่ทําแล้วมันจะใครจะทําให้เราอะแล้วเวลาเราก็น้อยลงไปทุกวันทุกวันเดี๋ยวจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ถ้าไม่ทําตอนนี้แล้วเราจะทําเมื่อไหร่ อัตตาหิอัตโนนาโถเ ท, ทไวะตอนเป็นที่พึ่งของตอนพอยังสวดได้ยังเวลาที่นั่งสวดมนต์นะค ะ, ะเรารู้สึกว่าเราสวดมนต์แต่จิตเราหายไปแล้วแล้วเราก็กลับมามเ <c oughs> นี่ยแหละสติมันไม่มีมันก็หนีไปถ้ามีสติว่าการสวดมันก็ไม่ไปก็เดินกลับมาเดินกลับมาเดี๋ยวมันก็ไปเนี่ย เพราะเราไม่เคยคุมมันางยถ้าเป็นลิงก็ไม่มีเชือกมัดมันไว้ถ้าเป็นเชือกก็เป็นเชือกกล้วยก็ตกทีมันก็ขาดมันก็ไปพอไปแล้วก็ไปจับมันมามัดมามัดใหม่ก็ต้องพยายามทํานี้ไปตอนต้นก็อย่างเงี้ยดึงมันมามันก็ไปมันไปแล้วก็ดึงมันมาชักกระเยาะกันไปชักกระเยาะกันมาต่อไปกําลังเราก็จะมากขึ้นไปเองแล้วต่อไปมันก็จะอยู่ไม่ไป เมื่อกี้ฟังตอนท่านแยกภาษาไปเลยนะคะท่านบอกว่าคําสอนของพระเจ้าที่เป็นบาลีเนี่ยอีกจุดหนึ่งประสงค์คือไม่ให้ล็อคซินทรานซ์เลชัก็คือเพื่อให้ไม่มีใครสามารถบิดเบือนคํของาไดใ้ใช่ใแต่สําหรับคนบางคนถ้าสมมุติว่ามีบางเคยมีคนมาถามมาค่ะว่าทําไมต้องสวดมนต์สวดแล้วก็ไม่เห็นเข้าใจคืกอกร็มีเหตุสองเหตุนะพุถ้าไม่เข้าใจการสวดก็เป็นการทําสมาธิเป็นการฝึกสติเหมือนกับพุโทโธมันก็ทําให้เราสบายใจ ไม่ไปกังวลกันเรื่องต่างๆที่เราไปคิดถึงอยู่แล้วถ้าเราเข้าใจความหมายเราก็จะได้ปัญญาอยากจะได้ความหมายก็ต้องไปอ่านคำแปลไปสวดคำแปลเดี๋ยวจำเป็นไหมคะว่าต้องสวดทั้งบาลีและไม่จำเป็ น, นแล้วแต่เราต้องการอะไรนะถ้าเราต้องการสวดให้ใจสงบไม่คิดอะไรภาษาใดก็ได้ภาษาบาลีก็ได้ภาษาไทยก็ได้จะ เอาทั้งแปลทั้งบาลีก็ได้แต่ถ้าเราต้องการปัญญาเนี่เราต้องเอาภาษาที่เราเข้าใจคอาจารย์เจ้าขาคนสมัยเนี้ยเขามักจะบอกว่าเลี้ยงลูกให้พูดให้สอนแต่ไม่ต้องตี อ, อ, อ, อแล้วเคยได้ยินครูบาอาจารย์บอกว่าก็ต้องตีนะเก ม, าามันมถูกทั้งสองอย่างอะ ตีต้องตีด้วยเหตุด้วยผลไม่ใช่ตีด้วยอารมณ์พอมันเด้อ ก, ก็ฟาดมันเลยอย่างนี้เจ้าจเอาแพ้ชนะกันตีแบบอาแพเอาชนะ ก, นกันก็ไม่ได้เราต้องชนะมันอยู่แล้วเราตัวใหญ่กว่ามันนะ <c oughs> ใช่ไหมแต่เราต้องเราต้องพูดถ้าเขาทาผิดเราก็ต้องลงโทษเขาเป็นตัวอย่างให้เขารู้ว่าถ้าทําผิดอย่างนี้ต่อไปจะจะได้รับโทษมากกว่านี้เช่นต่อไปโตขึ้นไปทําผิดกฎหมายไปทําอะไร แล้วถ้าเขาไม่รู้ว่ามีโทษตามมาเขาก็อาจจะทำาะฉะนั้นเราต้องมีการลงโทษบ้าง <Yeah. S 1> เช่นเขาขโมยเงินนี้พอเราจับได้เราก็ต้องมาเรียกมาบอกเขาว่า <Yeah. S 1> นี่เป็นเงินของคนอื่นเราไปหยิบของเขาไม่ได้ถ้าอยากจะได้เงินต้องขอเขาก่อน <Yeah. S 1> ถ้าเป็นของเรา <Yeah. S 1> คนอื่นเขาหยิบไปเราจะคิดอย่างไร <Yeah. S 1> ต้องอธิบาย <Yeah. S 1> เหตุให้ผู้น้ฟังเสร็จแล้วก็ต้องมีลงโทษนะเอามือมาตีสักหนึ่งที าลงโทษแบบนี้ไม่เป็นไรตีแบบนี้ไม่เป็นไรตีไม่หรอกไม่ปานนะรักวัวให้ผูกนักลูกให้ตีไให้ตีด้วยเหตุด้วยผลลงโทษเพื่อให้แล้วให้เขาสํานึกผิดแล้วให้เขากลัวความผิดต่อไปเขาจะได้ไม่กล้าทําถ้าไม่ตีสมัยนี้ก็ได้ก็ลงโทษแบบอื่นไม่ให้ดูทีวีสักสองวันสามวันไม่ให้เล่นเกมอยุดเกมไว้อะไร เดให้ไปนั่งเฉยๆที่ที่ที่ทไหนสักที่ก็จะนั่งเก้าอี้เฉยๆไม่ให้ทําอะไรสักชั่วโมงหนึ่งคึ่งชั่วโมงลงลโทษแบบไม่ต้องไม่ต้องทำร้ายร่างกายก็ได้แต่ถ้าเราเลือกทำร้ายร่างกายถึงถ้าเราเลือกตีก็ไม่ปานาถ้าทําให้เขาเข็ดได้ทําให้เขากลัวไม่กล้าทํำอีกก็เตะได้ปลุกคนนอนหลับเป็นแบบไหมคะ แล้วแต่เหตุผลถ้าไฟไหม้ก็ต้องรีดปลุกอะมันก็มีเหตุมีผลทุกอย่างใช่ไหมถ้าไม่มีเหตุมีผลก็ปล่อยก็นอนไปเถิดพอเวลาเรานอนแล้วก็ไม่อยากจะให้ใครปลุกใช่ไหมเป็นเวลาพักผ่อนเป่นเวลากินข้าวเวลากินข้าวมีใครมาดึงให้เราไปทำอย่างอื่นมันมันก็ไม่ดีเวลานอนเวลากินเราจึงไม่ค่อยไปรบกวนกันนอกจากมีเหตุฉุกเฉิน มีภยัยมีอันตรายอะไรเกิดขึ้นด้วต้องการความช่วยเหลือกันอย่างนี้ก็เป็นกรณีพิเศษไปแต่กรณีทั่วไปก็ไม่ควรเวลานั่งสมาธิก็อย่าไปดึงใจออกจากสมาธิถ้ามันยังไม่ออก<ม>ก็ไม่ควรไปเดึงมันออกต่อไปมันจะไม่เข้ามันจะเข้าแล้วอยู่ไม่นานแทน้าเวลามันอยู่มันนิ่งเฉยๆอย่าไปดึงมันออกนอกจากมีเหตุฉุกเฉินจริงๆค่อยอ ย, อ ย, อยออก ตอนเมื่อกี้ฟังค่ะที่บอกว่านั่งพอนั่งสมาธิแล้วเกิดความเจ็บความปวดเนี้ก็คือท่านจะสอนว่าให้แยกจิตกับร่างกายเป็นคนละส่วนกันแต่ถ้าสมมติเราทําได้อยู่จุดนั้นเราจะไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดหรอคะเรารู้แต่เราไม่มีความเราเราไม่มีความทุกข์กับความเจ็บปวดะคือยังรู้สึกอยู่คือรู้สึกแต่ใจเฉยอใจไม่ใจไม่ทอรมารบางทีก็หายหายก็ได้บางทีก็ไม่หายแล้วแต่มัน เวลาใจสงบแล้วใจจะเฉยกับมันได้แล้วมันจะเฉยกับอย่างอื่นได้หมดเฉยกับคำดาเฉยกับอะไรต่างๆได้อันนี้ใจเราไม่เฉยใจเราพอสัมผัสก่อะไรก็จะมีปฏิกิริยา ท, าทันทีดีใจบ้างเสียใจบ้างแต่ถ้าเราฝึกสมาธิใจนิ่งแล้วมันจะเฉย ชั้นาคุนี้มากคะเหมือนสอนให้เราเป็นคนเห็นแก่ตัวนิดๆนะคะไม่หรอกก็เป็นไปโรงเรียนไงไ ป, ไปเห็นแก่ตัวตรงไหนไปรักษาตัวเราไปโรงพยาบาลนี่ไม่เห็นแก่ตัวเลยใจเราก็เป็นคนไข้เราก็ต้องรักษาใจเราก่อนที่เราจะไปช่วยคนอื่นได้เราก็ต้องช่วยตัวเราเองก่อนก่อนที่เราร่างกายเราไม่สบายเราก็ต้องไปรักษาร่างกายให้เราหายหายแล้วทีนี้เราจะไปช่วยเด็กคนหนึ่งก็ไป ก็ดูพระพุทธเจ้าท่านใช้เวลาหกปีรักษาใจของท่านก็ห<ม>ลังจากนั้นอีกสี่สิห้าปีท่านช่วยเหลือคนอื่นมาตลอดอย่างนี้จะเห็นได้กตัวตรงไหนอย่างนี้ถ้าเราเราคิดว่าเราเราเบื่อความวุ่นวายจากสิ่งรับข้างหรือคนรับข้างแล้วเรารสึกว่าเราไม่อยากยุ่งกับใครแล้วก็ไม่อยากให้ใครมายุ่งกับเราอย่างเงี้ยมันเป็นความคิดที่ผิดไหมคะมันไม่ผิดหรอกถ้ามันเห็นว่ามันเป็นไฟเราอยากจะไปยุ่งกับไฟไหม ไฟมันเผามันก็ร้อนใช่ไหมเรื่องคนเรื่องเหตุการณ์บางทีมันก็ทําให้ใจเราร้อนถ้าเราร้อนแล้วก็ไปหาที่ที่เย็นเลยอปหลบหนีไปไปอยู่ที่เย็นก็ไม่เห็นจะเสียหายอะไรเหมือมนไม่สบายก็ต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลใช่ไหมใจร้อนก็ต้องไปหาที่เย็นะทําให้มันเย็นถ้าอยู่ตรงนั้นมันร้อนอยู่ไปทําไม นกลัวว่ามันจะมันจะเป็นการแก้ได้ไม่ถูกทางแต่เบื้องต้นก็หนีไปได้แต่เป้าหมายต่อไปก็คือต้องอยู่ที่ไหนก็ได้แล้วเย็นกับทุกเหตุการณ์ได้อันนั้นต้องมีกําลังใจมีปัญญาถึงถึงจะทําได้ถ้าตอนต้นยังไม่มีกําลังก็แยกตัวไปสร้างกําลังขึ้นมาก่อนแต่เป้าหมายสุดท้ายนี้ต้องอยู่กับที่ไหนก็ได้อยู่กับเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ได้โดยที่ไม่ร้อน อยู่กับความแก่ได้อยู่กับความเจ็บอยู่กับความตายได้อยู่กับคนร้ายกาจคนไม่ดีได้ถ้าต้องอยู่แต่ถ้าเลือกได้ก็ไม่อยู่แต่ถ้าจําเป็นมันต้องอยู่มันก็ต้องอยู่ไปคือใจเราต้องสามารถรับกับทุกสภาพได้โดยที่ไม่เกิดความทุกข์ไม่เกิดความร้อนใจขึ้นมาแต่ถ้ายังทําไม่ได้ก็ต้องไปปีกไปไปสร้างกําลังขึ้นมาก่อนก็ไปเหมือนกับไป ไปฟิตเน็ตเนี่ยร่างกายไม่มีกําลังไม่มีเรี่ยวแรงก็ไปฟิตเน็ตไปออกกําลังกายซะ ห, หน่อยแล้วพอกําลังกายที่นี้ก็มามีกําลังทํานูน่นทํานี่ได้เวลาที่เราไปปฏิบัตินี้ไม่ได้เห็นแก่ตัวแล้วต้อไปเหมือนไปฟิตเน็ทางจิตใจ เ, เวลาไปฟิตเน็ไม่เห็นแม่ว่าเห็นแก่ตัวนะใช่ไหมไปออกกําลังกายกันใช่ไหมนี่เราไปปฏิบัติทำก็ไปออกกําลังใจ กำลังของใจก็คือสติสมาธิปัญญาเนี่ยเรามาสร้างสาตัวนี้ขึ้นมาถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วใจเราจะกล้าหารใจเราจะแข็งแกร่งใจเราจะเป็นเหมือนหินจะไม่มีอะไรมาเขย่ามันได้แต่ตอนนี้ใจเราเป็นเหมือนนุ่นก็ยังมีลมพัดมาเบาๆก็ปิวไปแล้วใครพูดอะไรนิดหน่อยไม่ถูกใจก็ร้องไห้แล้วใจเราไม่แข่งใจเราไม่แข็ง ใจเรอ่อนไหวกับอารมณ์ต่างๆเ๋ยวเราไปฝึกให้ใจไม่ให้อ่อนไหวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ, ๆ, ๆกับอารมณ์ต่างๆถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเราจะไม่อ่อนไหวมีคำถามทางบ้านเนี่ยว่ามาคำ ถ, ถามจากคุณบัวมีพ่อเป็นข้าราชการบำนาญแก่แล้วเจ็ดสิบกว่าและแม่จะเจ็ดสิบ พ่อ ก, กินเหล้าและพานใส่แม่ทุกวันทำข้าวของเสียหายยิ่งแก่ยิ่งกินเหล้าเล่นการพ น, นันยิ่งเลวร้าลงแม่เครียดจนเริ่มป่วยส่วนตัวหนูไปวัดพอจะดีขึ้นบ้างแต่ช่วงหลังๆไม่ได้ไปภาวนาเลยอยู่ที่บ้านก็ไม่สงบตอนนี้เริ่มเป็นบ้าเครียดทุกอย่างเริ่มทำงานไม่ได้ถ้าไปวัดแม่ก็จะฆ่าตัวตายหนูจะทายังไงดีคะบางทีหนูก็อยากหนีหนีจากตรงนี้ไปเลยค่ะ ก็เดีผลที่เกิดจากการกระทําของเราเบื้องต้นก็ต้องรักษาตัวเราก่อนถ้าเราอยู่แล้วเราจะเป็นบ้าอยู่ไปทําไมถ้าเราไปแล้วเราไม่เป็นบ้าก็ไปส่วนคนอื่นจะอยู่จะทําอะไรหรือไม่ทําอะไรก็เป็นเรื่องของเขาก็ชวนแม่ไปด้วยสิก็หมดเรื่องก็ปล่อยให้พ่ออยู่คนเดียวแล้วก็ชวนแม่ไปอยู่วัดกันไปอยู่กับเหตุการณ์ที่ทําให้เราบ้าให้เราเครียดทําไม ถ้าเราเราเราเราทาใจไม่ได้เราก็ต้องถอยไปก่อนถอยไปสร้างไปฝึกกำลังใจกันก่อน mm hmm. อเมื่อมีกำลังใจแล้วค่อยกลับมาอยู่กับพ่อต่อไปคำถามจากคุณนิวเราเป็นพระนี้ปลูกต้นไม้ได้หรือไม่ครับคือต้องตัดกิ่งแย ก, นกหน่อขุดหรือดึงจากที่เก่ามาเพื่อเพาะชำหรือปลูกใหม่ เนื่องจากที่วัดอยู่พื้นที่ห่างไกลและไม่มีโยมมาคอยอุปถากต้นไม้ต้นเก่าก็ยืนต้นตายเนื่องจากการเผาและถากของป่าของชาวบ้านบอกชาวบ้านมาปลูกแล้วก็ไม่มา <c oughs> มเองก็ไม่อยากทํา <c oughs> เกรงจะผิดพระวินยัยจึงเรียนถามพระท่านพระอาจารย์ครับปลูกไม่ได้เหรอถ้าต้องตัดไม้ตัดใบไม้ตั ด, ตดกิ่งไม้นี่เป็นผิดพระวินยั ย, รรยเพราะสมัยโบราณก็าถือว่าต้นไม้มีชีวิตถ้าตัด ตนไม้ก็ถือว่าฆ่าต้นไม้ก็เลยห้ามพระตัดตัดต้นไม้ตัดกิ่งไม้อะไรต่างๆพระก็ไม่มีต้นไม้ก็ช่างมันบ้นงหนเรานั่งสมาธิหลับตาของเราไปมีถ้าบอกญาติโยมแล้วเขาไม่มาก็เรื่องของเขาถ้าเราทําตัวไม่เหมาะญาติโยมเขาก็จะไม่มาแต่ถ้าเราเข่งในพระวินยัยเดี๋ยวเขาก็มาเองเคยถามตัวเราเองว่าทําไมเขาไม่มา ทำไมเขาไม่สนับสนุนเราทำไมเขาไปสนับสนุนพระที่อื่น <nói. S 1> ก็อาจจะเป็นเพราะว่าการมาพูดของเรามันไม่ทำให้เขาประทับใจม <entle? S 2> <Made. S 1> ั้งเขาก็ไม่อยากจะมาสนับสนุนเดีนเรามาทำตัวของเราเป็นพร ะ, ะดีกว่าอย่าไปเป็นชาวนาชาวไร่เลยเรามาบวชนี่มาไม่ได้มาปลูกต้นไม้ไม่ได้มาทำอะไรเรามาบวชเพื่อมารักษาศีลสมาธิปัญญานี่คืองานของเรา รักษาสีหน้บริสุทธิออ์นั่งสมาธิทำใจให้สงบไปปิฎยาการก็จะน่ารักน่าขา่ารลบน่าเรื่มเสืยไปเองแล้วพูดอะไรก็จะเกิดมีศรัทธาเขาจะยินดีสนับสนุนออบางทีไม่ต้องพูดเขามาเองเออนี่ขนาดอยู่บนเขานี่ยังมีคนเอาต้นไม้มาให้ปลูกเยอะแยะ <c oughs> ไม่รู้จะปลูกตรงไหนคำ <c oughs> <c oughs> ถามจากคุณภูคินโน นั่งสมาธิไปสักพักและละคําบริกรรมแล้วควรทําอย่างไรเจ้าคะอ๋อยังไม่ละนะมาให้มันสงบเองแล้วมันหยุดเองอย่าอยู่เฉยๆแล้วละลเดี๋ยวมันก็ไปคิดต่อถ้าคิดแล้วมันก็จะไม่สงบยังต้องพุทโธพุทโธไปจนกว่ามันจะตกหลุมตกหลุมวูบลงไปเข้าผวังแล้วมันก็จะหยุดเองแล้วมันก็จะนิ่งถ้ามันยังไม่วูบมันยังไม่นิ่งก็ต้องต้องพุทโธต่อไป ถามจากคุณคศถ้ากิเลสพาจิตเราตกอยู่ในโมหะในความรักเรารู้ตัวเรามีสติแต่ทําไมเราถอนออกมาไม่ได้ครับเพราะเราไม่มีกำลังไม่มีกําลังที่จะสู้กับกิเลสเราก็ต้องมาสร้างสติคือกําลังถ้าเรามีกําลังมีสติแล้วเราก็จะหยุดกิเลสได้คํถาถามจากคุณสุภัชตา เมื่อช่วงที่แล้วพระอาจารย์เทศว่าสิ่งที่คิดที่รู้คือใจใจที่บอกว่าให้กายทําอะไรหนูสงสัยไม่มีคําตอบว่าสิ่งที่คิดที่สั่งร่างกายคือสมองมันคือสิ่งเดียวกันกับใจไหมคะไม่ใช่สมองนี้เป็นเพียงส่วนประกอบของร่างกายที่ควบคุมการทํา ง, งานของร่างกายแต่ใจเป็นผู้สั่งสมองแสกสั่งให้ร่างกายขยับเขยื่อนทำอะไรต่างๆ สั่งให้ร่างกายเดินยืนนั่งนอนรับประทานอาหารทำอะไรต่างๆนี้เหมือนกับรถยนต์เน่ยรถยนต์เดี๋ยวนี้เขาก็มีสมองอยู่ในรถใช่ไหมมีคอมอยู่ในรถที่จะควบคุมเครื่องปรับอากาศควบคุมเครื่องยนต์ควบคุมไฟฟ้าอะไรต่างๆสมองก็เป็นเหมือนอย่างนั้นสมองเป็นตัวควบคุมการทํางานของตาของหูของจมูกของนิ้นของกายของอวัยวะต่างๆของหัวใจของตับของปอด มันมันเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของร่างกายส่วนใจนี้เป็นเพียงแต่ผู้มาสั่งให้ร่างกายทำอะไรไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานของสมองแต่เขาไม่มีเครื่องมือวัดใจเขาก็เลยไม่รู้ว่าใจมาจากไหนอยู่ที่ไหนเขาก็เลยเชื่อมาจากสมองแต่ความจริงไม่ใช่สมองใจไม่ใช่สมองคำถามจากคุณอิสระอิส ร, ราเอล การชักชวนเพื่อนทาทานแล้วไม่แจ้งผู้รับทานนั้นให้เขาให้ผู้รับเข้าใจสิ่งที่ทำไปเป็นของตนบาปไหมคะไม่เข้าใจความหมายไมมีคนปักทำทานมาแต่ไม่ได้แจ้งผู้รับเราเป็นของขไม่เป็นไรทำทานแล้วไม่ต้องการชื่อต้องการเสียงเวลาที่เขาให้เงินเรามานี่เขาได้บุญแล้วเขาสละเงินของเข้าไปแล้ว ใครจะรู้ว่าเขาทำหรือไม่ทําไม่สําคัญแ ต, แต่อีกบงมนึงอาจจะเป็นเพราะว่าผู้ผู้ไปทําทานเนี่ยอาจจะอยากได้เหมือนอ จ, จะผ่าจะอยากอยากได้ได้หน้าินอะไรนี้หรออาจารย์ก็จะเป็นยังไงครับอาจารย์ก็แล้วแต่ว่าเขาสั่งหรือเปล่าถ้าเขาสั่งว่าต้องบอกว่าเป็นของผมนะออ่านี้เราก็ต้องบอกไปว่าคุคนนี้คขาเนาี่ยฝากมาทำบุญครับไม่ใช่ของผมน ะ, อ, ะอย่างนี้ เราบางทีเราไปถวายแทนเขาเราไม่บอกเขาก็อาจจะคิดว่าเป็นของเราก็ได้แต่มันก็ไม่เป็นของเราอยู่ดีมันอยู่ที่ใจของเราเราก็ไม่ได้บุญจากการทำบุญของเข า, เ, าเขาก็ได้บุญอยู่ดีเป็นแต่อาจจะได้หน้าตาได้กิเลสเท่นั้นน่ะได้ความรู้สึกเรามีหน้ามีตา<ม>แลา้วเราทาเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่ได้บอกว่าเป็นของคนอื่นค น, <ม>คนที่เขาไม่รู้รก็คิดโอเ้เราเป็นคนใจบุญนะแต่ที่ไหนได้มันไม่ใช่เป็นของเรา หมายควว่าแทนที่จะได้บุญจะเป็นคนนำพาเงินนิดๆทำทานหน่อยหนึ่งกลายเป็นได้กิเลสแทนได้กิเลส <ๆๆ S 2> <ๆ S 1> อาจจะเป็นคนแบบโกโหกไปก็ได้แต่ว่ามุบนิบไม่ยอมบอกเจ้าของว่ามันไม่ใช่เป็นของผมนะเ <c oughs> ขาฝากมาถวายคำถามจากทาง u t u b e นะครับจากคุณเพนจันนะครับ<ม>เราจะอยู่กับรูปและนามขณะทำงานในแต่ละวันอย่างไรคะก <c oughs> ็ะอยู่ด้วยสติไงให้มีสติรู้อยู่ว่าเรากาลังเห็นอะไรกาลังได้ยินอะไร แล้วก็ดูใจของเราว่าเรามีปฏิกิริยากับสิ่งที่เราเห็นกับสิ่งที่เราได้ยินหรือไม่ถ้าเรามีปฏิกิริยาก็ไม่ดีควรจะเฉยๆกับสิ่งที่เราเห็นกับสิ่งที่เราได้ยินดีใจก็ไม่ดีเพราะว่าถ้าเราดีใจกับสิ่งที่เราเห็นเ mm hmm. ดี๋ยวพอสิ่งที่เราเห็นหมดไปก็จ mm hmm. ะเสียใจจะเสียดายถ้าไม่ดีนดีกับสิ่งที่เราเห็นเราก็ทุกข์ใจแล้วแต่ถ <females S 2> ้าเราเฉยๆได้ดีที่สุดน เห็นก็เฉยได้ยินอะไรก็เฉยแต่ไม่ได้เฉยเมยถ้าต้องพูดตอบก็ตอบตถ้าต้องทําอะไรก็ทําแต่ไม่ได้ทําด้วยอารมณ์ทําด้วยเหตุผลคำ ถ, ถามจากคุณสิริวันหนูอยากเรียนถามค่ะว่าในโลกนี้มีสิ่งใดไหมคะที่เข้าเงื่อนไขาสาข้อ 1. ่ไม่แตกดับสลายไปสองไม่เป็นภาระสมติดตัวไปได้ ไม่มีหรอก็กมีความสงบอย่างเดียวอะความสงบของใจนี้จะไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นสิ่งเดียวที่ถาวรแต่เรายังไม่รู้จักสร้างมันขึ้นมายังไม่รู้จักรักษามันมันก็ยังไม่ถาวรแต่พระอาหารหันต์พระพุทธเจ้านี่ท่านรู้จักสร้างมันขึ้นมาท่านรู้จักรักษามันขึ้นมามันก็เลยอยู่กับท่านอย่างถาวรคําถามจากคุณมาลิท่านอาจารย์บอกว่าพุทโธจนกว่าจะวูบไปจึงจะหยุด นั่นคือถ้าจิตไม่รวมก็อย่ า, อ ย, าอยู่พุโทโธใช่ไหมคะใช่แล้วคำถามจากคุณสาคอนบวชเป็นพระไปบินทบาทยืนพูดคุยกับญาติโยมที่ใส่บาตรได้ไหมครับถ้ามีเหตุผลจำเป็นก็พูดได้แต่ถ้าพูดแบบเพราะเจอร์อยากจะพูดเจอใครก็ทั้งทายนี้ไม่ควรหน้นาที่ของพระเพียงแต่สํารวมกายวาจาใจรับของเข้ามาแต่ถ้าเกิดเขาสงสัยว่าที่วัดจะมีกระถินเมื่อไหร่่ก็บอกก็ได้ ไม่ใช่ว่าจะแบบเป็นเถ็นตรงไปซะทุกอย่างเพราะพูดก็ไม่พูดเลยพลอยพูดก็พูดแบบการเป็นนักการเมืองพูดเลยอย่างนี้มันก็ไม่ได้ถ้า่จะจะพูดก็พูดได้บ้างถ้ามีเหตุมีผลถ้าไม่มีเหตุจําเป็นจะต้องพูดก็ไม่ต้องพูดเพราะหน้าที่ของพระตามบินทบาทนี้ไปไปบินทบาทไปรับอาหารเท่านั้นเองคำถามจากคุณชุมพร รู้ได้อย่างไรว่าเรามีดวงตาเห็นธรรมแล้วครับก็เห็นเวลาทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจเราดับไปเห็นว่ามันเกิดจากความอยากของเราเช่นแฟนทิ้งเราไปเราร้องห่มร้องไห้แต่พอเราเห็นว่าแฟนเราไม่เที่ยงเราห้ามเขาไม่ได้เราก็ปล่อยเขาไปเราก็หายทุกข์เห็นธรรมเห็นว่าทุกข์เกิดจากความอยากของเราให้เขาอยู่กับเราแต่เราก็เห็นความจริงว่า เขาเราบังคับเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้แต่เห็นอย่างนี้เราก็หยุดความอยากให้เขาจะกลับมาหรือให้เขาอยู่กับเราต่อไปพอเราหยุดความอยากได้ความทุกข์ใจก็หายไปคํถาถามจากคุณคมจิตกับใจเหมือนกันไหมครับเหมือนกันเพียงแต่ว่าข้อแยกว่าจิตเป็นฝ่ายคิดใจเป็นฝ่ายรู้ในเนจิตในใจนี้มีสองส่วนฝ่ายคิดกับฝ่ายรู้คํถาถามจากคุณณปนภชา นภพัฒน์แฟนส่งเงินให้ใช้จ่ายในครอบครัวแต่เรานําเงินส่วนส่วนหนึ่งในทุกครั้งไปทําบุญทําทานสร้างโบสถ์สร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมและบุญต่างๆแต่บางครั้งเราไม่ได้บอกแฟนไปบางครั้งก็บอกเขา ว, ว่าไม่ได้ว่าอะไรเพราะเขาเป็นคนคิดอย่างนี้แล้วเขาจะได้บุญในนั้นด้วยหรือเปล่าครับถ้าเป็นเงินของเขาแล้วเขาเขายินยอมเขายินดีก็เขาก็ได้บุญ คำถามจากคุณตีถ้าเราจะใช้คำว่านะมะพระทะได้หรือเปล่าครับได้ได้ใช้อะไรก็ได้ใช้พุทโธก็ได้สัมมาอรหังก็ได้ธรรมโมก็ได้สังโฆก็ได้ใช้บทสวดมนต์ก็ได้มันเป็นอุบายที่จะทําให้ใจเราไม่คิดถึงเรื่องราวต่างๆเพื่อที่ใจของเราจะได้นิ่งจะได้สงบหมดแล้วนะคุณต่อมไม่ไม่ไม่ไม่มีครับอาจารย์ ถ้ากิว่าเราทําบุญด้วยปัจจัยคือใส่ทองแล้วก็ใส่บาทอะค่ะผิดไหมคะมันผิดกับสําหรับพระไพระห้ามไม่ให้แตะต้องเงินทองถ้าเราอยากจะถวายเงินก็ต้องฝากลูกศิษย์ถ้ามีลูกศิษย์เดินมาด้วยก็ฝากลูกศิษย์ไว้แต่สมัยนี้ข้อนี้รู้สึกว่าจะเป็นข้อยกเว้นแต่ท่านมันญาติโยมก็ไม่รู้พระก็อยากได้ก็เลยไปด้วยกันได้ก็เลยขอยกเว้นข้อนี้ไปเออ ไม่บาปหรอกทำบุญเหมือนกันเองแต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่อยากให้พระครอบครองเงินทอง<ม>เพราะมันเป็นอันตรายต่อพระทั้งทางร่า ง, งกายและจิตใจถ้ามีเงินทองติดย่ามเดี๋ยวขโมยรู้มันก็มาพ้นมาจี้ได้แล้วถ้ากิเลสรู้มันก็จะหลอกให้พระไปซื้อของให้กิเลสกินมันก็เป็นภัยต่อพระกับทั้งทางด้ า, านร่างกายจิตใจพระพเจ้าจึงไม่อยากให้พระอยู่ใกล้เงินทองแต่ก็อนุญาตให้ใช้เงินทองได้ในกรณีจําเป็น แต่ให้เงินทองนี้ฝากไว้กับญาติโยมที่เราไว้ใจได้แล้วเวลาเราขาดจีวรขา ด, yeah ดยาหรือต้องการเดินทางไปไหนก็บอกให้เขาช่วยจัดการให้อาจารย์คะในเวลาที่เราอยู่ร่วมกันกับคนอื่นหรือแม้กระทั่งคู่เราอา่ะถ้ามีไม่เหมือนกัน ม, มันมีความต่างกันในการกระทําในนิสัยอ่าพอเราเจอจุดที่ ไม่ตรงกับตัวเราแล้วเราเกิดความรู้สึกไม่พอใจอเราสติแรกแรกเราควรจะต้องจัดการยังไงกับกับความรู้สึกตรงนั้นโบราณนะก็บอกว่าให้สมวนส่วนต่างประสานส่วนเหมือนส่วนไหนที่ต่างกันก็อย่าเอามาคิดอย่าเอามายุ่งถ้าในจังหวะนั้นอารมณ์เกิดขึ้นมาก็พูดโธเลยพูดโธหยุดมันอย่าไปพยายามเอาอเรื่องนี้มาคุยกันเดีย๋ยวมันจะทะเลาะกันหยุดดีกว่า พูดแต่เรื่องที่เราเข้าใจกันเห็นตรงกันถ้าเห็นไหนขัดกันก็หยุดเลยดีกว่าเช่นเราจะไปทำบุญเขาอยากจะไปเที่ยวอย่างนี้เราก็ต้องหยุดละอย่าไปเถียงกันก็ต้องยอมฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งถ้าอยากจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเราก็ต้องรู้จักเอาใจคนอื่นบ้างอยากจะเอาใจแต่เราคนเดียวถ้าอยากจะเอาใจแต่เราคนเดียวต้องอยู่คนเดียวเราในกรณีที่ ถ้าคนหนึ่งจะไปทำบุญอีกคนหนึ่งจะไปทำธุระแล้วคนที่ไปทำบุญยาไม่ไปเพื่อที่จะมาะไปธุระกับเราเราเร า, เราบาปไหมคะไม่บาปหรอกไม่บ า, า เ, เขาได้บุญเขาเสียสละเป็นการทำทาน เราไม่สบายใจที่ทําให้เขาไม่ได้ไปทาบุญเราก็บอกก็ยังไม่ต้องมาสิเราไปบังคับให้เขามาไม่ต้องมาก็ยอมมาเมื่อเราแต่เขาก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ต่อไปก็อย่าไปบังคับกระเสพย์พูดว่าวพี่จะไปก็ได้จะมาก็ได้ไม่มาก็ได้เราก็จะได้สบายใจเขาก็จะได้สบายใจบางทีเราชอบเอาความอยากของเรามาบังคับคนอื่นะเนื่องบางทีเขารักเราก็ยังอยากจะ อยู่กับเราเขาก็ย อ, ยอมเราแต่เดี๋ยวไปเจอวันหนึ่งที่เขาไม่อยากจะอยู่กับเราขึ้นมาแล้วเขาเราก็จะเดือดร้อนได้เนีย่ยเราต้องแบ่งรับแบ่งสู้บ้างเอาเอาหัว อ, อกเขาใส่หัว อ, อกเราเอาใจเขาบ้างอยา่าเอาแต่ใจของเราคือเราก็บอกแล้วคือเอาที่เขาสบายใจแต่เขาเลือกทำเพื่อเราแต่กลายเป็นว่าเขารู้สึกไม่ไม่แฮปปี้เราก็เลยนูกสึาเป็นเพื่บไม่เป็นไรถ้าเขายินดีเขาจะทาถึงแม้ไม่แฮปปี้ก็ไม่เป็นไร